ซึ่งปกติแล้วก็จะได้นําธรรมบรรยายบ้างปาตกถาบ้างมานําเสนอแด่ท่านผู้ฟังเป็นประจำสําหรับวันนี้อาตมาจะได้นําธรรมปฏิบัติมาให้สาธุชนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อชําระจิตใจให้ผ่องใสให้เป็นสมาธิแนบแ่นมั่นคงโดยขอเชิญสาธุชนทุกท่านมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของการปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้น อย่างง่ายๆมีหลักอยู่สามประการคือ 1. บริกรรมนิมิตคือนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสอย่างเล็กเท่าลูกตาดำของเราแต่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจรไยแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาอันที่สองบริกรรมภาวนาคือนึกท่องในใจว่าสัมมาอะระหังสัมมาอระหัง สัมมาอรหังเป็นบริกรรมภาวนาเป็นพุทธานุสติด้วยและอันที่สคือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือตรงกลางท้องของเราอย่างน้อย3าประการนี้สาธุชนควรทำความเข้าใจเพื่อที่จะง่ายต่อการรวมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้เป็นสมาธิแนบแน่นมัน่นคงเพื่อการพัฒนาจิตใจของเรา ให้ผ่องใสปราศจากกิเลสนิวรณนเครื่องกลั่นปัญญาจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาสำรวมกายวาจาหลังจากสาธุชนอาจจะทำวัดสวดมนต์มาบ้างแล้วต่อไปนี้ขอเชิญมาสู่ภาคปฏิบัติธรรมโดยเตรียมตัวนั่งในท่าคัศมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวา วางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้จดหัวแม่มือด้านซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงและดำรงสติของเราให้มั่นคงคือมีสติเป็นหน้ารอบไม่เผลอสติปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านออกไปนอกตัวไปยึดติดเรื่องราวต่างๆที่นอกเหนือจากพระกรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลจะให้คำแนะนำต่อไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาน้อมใจปฏิบัติตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณที่จะให้คำแนะนำต่อไปดังนี้ตั้งใจแน่วแน่ดีแล้วนั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตัก นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงเนาะถ้าหากว่านั่งเรารู้สึกมันเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ใจให้กำหนดอยู่ในองค์บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาอยู่ในธรรมะตลอดอย่าได้ทำให้คนอื่นตื่นจากสมาธินะข้อนี้ให้บอกกันไว้ก่อนเมื่อตั้งกายตรงดี หายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายอย่าเ ก, กร็งนะใครยังไม่เห็นดวงแก้วหรือใครยังไม่เห็นดวงใสสว่างในท้องของตัวนี่ดูดวงแก้วให้จำได้นะดูดวงแก้วให้จำได้ทุกคนหรือว่าดวงแก้วที่ตั้งอยู่ในตามที่ต่างๆนึกเห็นเข้าไว้มองดูก่อนให้ชัดแล้วหลับตาลงเบา ไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นนะนี่นเนมื่อเราหลับตาลงเบาๆดีแล้วทุกท่านนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสด้วยใจขนาดเล็กเท่าดวงตาดำแต่ใสเหมือนกระเพชรลูกโตขึ้นมาหน่อยเท่าที่นึกเห็นได้เท่าดวงตาทั้งหมดหรือขนาดเท่าลูกปิงปองก็ได้ หรือขนาดตัวอย่างที่โชว์ให้ดูหรือว่าตั้งอยู่นี้ก็ได้แปลว่านึกเห็นขนาดไหนได้เอาขนาดนั้นเป็นดวงแก้วกลมใสแล้วก็ให้เห็นศูนย์กลางของดวงแก้วตั้งอยู่ตรงปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา ดวงแก้วที่เรานึกเห็นจะโตใจะใหญ่แค่ไหร่ก็แล้วแต่อาจจะนึกเห็นขนาดเล็กเท่าดวงตาดำถ้านึกเห็นได้สะดวกหรือโตขึ้นมาหน่อยขนาดดวงตาทั้งหมดหรือขนาดลูกปิงปองหรือขนาดตัวอย่างที่ตั้งไว้นี้ก็ได้นะแต่นึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใส เป็นจุดเล็กใสประมาณเท่ า, มาเมล็ดโพเมล็ดใสนึกให้เห็นศูนย์กลางดวงแก้วนะ่ะตั้งอยู่ตรงปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาเวลาเราหายใจเข้าออกให้สังเกตลมหายใจเข้าออกนั้นแหละผ่านกระทบดวงแก้วด้วยพร้อมกับท่องในใจเรียกว่าบริกรรมภาวนา ว่าสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังตรงกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสนั่นนะจี้ไว้ตรงนั้นทีเดียวสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังไว้พร้อมกับตรึกนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสเป็นสำคัญแล้ว เมื่อสังเกตลมหายใจเข้าออกเราก็เลื่อนดวงแก้วเข้าไปตรงๆชา้ชาๆเข้าไปในปากช่องจมูกโดยไม่ต้องลังเลว่าที่เรานึกเห็นโตนี่จะเข้าไปไม่ได้สิ่งที่เห็นด้วยใจเป็นทิพย์เข้าไปได้เสมอนะทุกแห่งจะโตแค่ไหรก็เข้าไปได้ทั้งนั้นแหละเข้าไปชา้ชาๆในปากช่องจมูกแล้วก็ช้อนขึ้นตรงๆชา้ชาๆ ไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในไม่ใช่ข้างนอกนะฮะด้านในหญิงซ้ายชายขวาเอาศูนย์กลางดวงแก้วไปตั้งที่หัวตาด้านในบริกรรมพานากำกับไว้สัมมาอระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วนั่นแหละให้ใสทีเดียว แล้วนึกเลื่อนศูนย์กลางดวงแก้วเลื่อนดวงแก้วนั่นแหละแต่ใจไม่เคลื่อนจากศูนย์กลางดวงแก้วเข้าไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งศีรษะของเราเป็นที่ว่างโลง่งใสสว่างเหมือนกลางวันมีดวงแก้วตั้งอยู่ไส้ สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหั ง, หงท่องในใจไว้ทีนี้ขณะเราหลับเหลือกตาอยู่เนะี่ยให้เราเหลือบดวงตากลับไปข้างหลังเหมือนคนชักจะตายหรือเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับตาของเธอหมุนกลับไปข้างหลังควิก๊กควิกคว๊กคคว น, น่ถ้าคนไม่เคยเห็น ก็จะตกใจนึกว่าคนเด็กชักจะตายแต่ไม่ใช่นั่นเป็นอาการที่ใจเธอหลับสนิทใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตกศูนย์นั่นแหละหลับสนิททีเดียวเราอาศัยอาการนี้เหลือบดวงตากลับนิดๆเพื่อให้ใจคือความเห็นด้วยใจความจําความคิดความรู้ที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกมาข้างนอก ให้กลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในขณะเดียวกันเราก็นึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสโดยใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสน่นนะเลื่อนลงไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนากำกับไว้สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหัง นี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สพอใจหยุดนิ่งหน่อย <Northeast> เห็นเท่าไรเอาเท่านั้น <ounce> นึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสลงไปตรงๆช้าๆอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนากำกับไว้สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสไว้ พร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างโลงโลงไปเหมือนขวดน้ำอย่างนั้นในะสพร้อมกับเรานึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสนั่นแหละลงไปตรงๆช้าๆเห็นใสสว่างลงไป หยุดนิ่งตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเอาศูนย์กลางดวงแก้วไปตั้งตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเปรียบเหมือนมะนาวตัดครึ่งงายครึ่งมะนาวขึ้นตรงกลางไส้มะนาวนั้นเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือเราก็บริกรรมภาวนากำกับไว้ตรงกลางของกลางดวงแก้วนั้น สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังแล้วนึกเลื่อนถอยกลับขึ้นตรงๆคืนขึ้นมาอีกสององคุรีมือหยุดนิ่งตรงนั้นต่อแต่นี้ไปกำหนดใจไว้ตรงนี้เป็นที่ตั้งถาวรของใจโดย กำหนดบริกรรมนิมิตนึกให้เห็นด้วยใจเป็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสตรงนี้ตลอดเวลาซ้ายขวาหน้าหลังล่า ง, างบนไม่ไปบริกรรมภาวนากำกับไวสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสนั่นแหละไม่ใส่ใจอะไร ใจจดจ่ออยู่ที่กลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายนั้นอย่างเดียวนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจากคำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังนั่นแหละมาสู่ใจเราด้วยเป็นพุทธานุสติถ้าเห็นไม่ชัดสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วด้วย ทีนี้จะเห็นดวงแก้วชัดขึ้นเพราะดวงแก้วตั้งอยู่ตรงกลางของกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกตรงศูนย์กลางกายนั่นเองแต่ไม่ต้องตามลมนะบริกรรมนิมิตรบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสตรงนั้นให้นิ่งคอยมีสติอย่าเผลอสตินะถ้าใจจดจ่ออยู่แล้วจใจจะสงบนิ่งสบายเียว สบายทีเดียวจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นให้ละองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังเสียหยุดตัวเดียวหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมนั้นให้ใสสว่างท่านจะเห็นภายในดวงประกอบด้วยศูนย์หรือดวงเล็กๆห้าศูน ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายอย่าลังเลสงสัยหยุดนิ่งกลางของกลางศูนย์ตรงกลางที่สุดกลางนั้นคืออากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางวิญญาณธาตุหยุดนิ่งเข้าไปพอนึกเห็นกลางของกลางจุดเล็กใสหน่เราจะรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดวิบๆๆเข้ากลางของกลางนั้น พราหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสแจ่มยิ่งกว่าเดิมก็จะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดนึกเข้าเห็นกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงใสสว่างต่อต่อไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดทีเดียวท่านจะประสบกับความสันติสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้าถึงดวงนี้แล้วเป็นมหาิสงท์ทีเดียว ตั้งใจทำให้ดีทุกท่านท่านที่ยังไม่เห็นดวงตั้งใจทำเลยนะแล้วไม่ต้องสนใจคำสอนต่อไปท่านที่เห็นดวงใสแจ่มถึงเพียงนั้นแล้วหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงใสแจ่มนั้นให้ใสสว่างสุดละเอียดหยุดนิ่งถูกส่วนและศูนย์กลางขยายว่างออกไป กายในกายณภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนผู้ปฏิบัติทุกประการจะปรากฏขึ้นบางรายอาจจะเห็นข้ามขั้นตอนไปเห็นธรรมกายเลยก็มีหรือใครเห็นอยู่กายละเอียดกายใดก็อย่าลังเลสงสัยให้ละความรู้สึกระอุปทานอันเนื่องด้วยกายยาบเข้าไปเป็นกายละเอียดใหม่สวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดใหม่ ใจกายละเอียดนั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะของกายละเอียดนั้นให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายในกายที่โตใหญ่ใสสว่างสวยงามละเอียดประณีตกว่าเดิมก็จะปรากฏขึ้นใหม่รักสมีสว่างก็ให้ดับยาบไปหาละเอียดเป็นกายละเอียดใหม่เรื่อยไป หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทั้งดวงทั้งกายและองค์ฌานทีละกายทีละกายจนถึงธรรมกายเป็นธรรมกายไปดําเนินไปทุกท่าน ยังไม่เห็นดวงมีสติกำกับใจคือให้นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสไวอยู่ตลอดเวลาใจจดจ่ออยู่จะเป็นสุขถ้าใจออกนอกตัวจะเบื่อหน่ายและรำคาญใจต้องจดจ่ออยู่ตลอดเวลานึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายนั้น เสมือนหนึ่งว่าในท้องของเรามีดวงแก้วนั้นตั้งอยู่แล้วเป็นที่ใสสว่างโล่งแจ้งเหมือนกลางวันเรียกว่าทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสไว้บริกรรมภาวนากำกับไว้ให้ใจจดจ่ออยู่นั่นสัมมาอะรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลา ง, ง, ลา ง, ง, ลางจนใจหยุดนิ่ง ไม่เกาะเกี่ยวอยู่ด้วยอะไรจะปรากฏดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งเฉยๆเท่านั้นหยุดนึกหยุดเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสสว่างหยุดนิ่งเข้าไปแล้วศูนย์กลางขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อๆไปจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จดจ่อลงไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง จุดเล็กสายกลางดวงสายต่ อ, ต, อต่อไปให้สายแจ่มสุดละเอียดจะหาความสุขอื่นใดนอกจากใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่มีดำเนินไปทุกท่าน พยายามหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างทุกท่านขณะที่ใจหยุดนิ่งของใสยอยู่นั้นพิจารณาสภาวธรรมสักนิดว่าตัวเราเองนั้นมีความแก่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเติบใหญ่ จเจริญขึ้นชั่วขณะชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางสุดโซมชราแก่เท่าเจ็บและตายในที่สุดตายเร็วตายช้าก็เอาแน่นอนไม่ได้ ความแก่ความเจ็บความตายย่อมมีแก่ตัวเราและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ผู้มีปัญญาพึงศึกษาชีวิตหรือสภาพธรรมธรรมชาตินี้ของเราเองนี้ตัวเราเองนี้ให้เข้าใจชีวิตที่ท่องแท้ว่า ทั้งสิ้นทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นแก่นสารให้เป็นที่พึ่งได้ตลอดไปเลยเมื่อเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็พิจารณาต่อไปให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายเราของชีวิตของเราและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายเหมือนกันหมด ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยคือความดีความชั่วที่เราเคยทำมาทั้งในอดีตถึงปัจจุบันที่จะให้ผลต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วทุกคนต้องได้รับผลของกรรมหนีไม่พ้นหนีไปไหนก็ไม่พ้นมีเงินมีทองก็ซื้อไม่ได้เรื่องของกรรมนี่แก้ไขไม่ได้นอกจากเราจะทาดี ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ความสุขต่อไปในการข้างหน้าละความชั่วเพื่อจะละเวรัยไม่สร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ต่อไปในเบื้องหน้าแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นแจ้งในสภาวะธรรมนี้ละวางความยึดมั่นถือมั่นเสียเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเราก็ดีของผู้อื่นก็ดี หรือแม้แต่โลกกระทำทั้งหลายมีลาบยศสักการะสรรเสริญสุขใดๆก็ดีล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครเข้ายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนบุคคลเราเขาของเราของเขาและเป็นทุกข์เพราะจะต้องพลัดพรากจากสิ่งของที่เรารักและหวงแหนทุกคนทุกท่านทุกเรื่อง ไม่มีใครรักษาอะไรไว้ได้แม้แต่ชีวิตของตนเองก็เมื่อชีวิตของตนเองรักษาไม่ได้แล้วเราจะรักษาอะไรได้และใครจะช่วยใครได้พิจารณาให้เห็นสภาวธรรมจริงๆอย่างนี้แล้วตั้งใจศึกษาปฏิบัติอบรมจิตใจให้หยุดให้นิ่งให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เข้าถึงธาตุล้วนทำล้วนคือธรรมกาย เพื่อถึงซึ่งความบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมกับกําจัดกิเลสที่แหงทุกข์ให้สิ้นไปนี่คือที่พึ่งประเสริฐของเราคือพระรัตนตรยัยและพระรัตนตรัยที่ว่าคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังกัตนะนั้นใช่อะไรอื่นคือธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานของพระอริยเจ้าซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ทุกคน ถ้ามีปัญญาและรู้ทางปฏิบัติและก็ปฏิบัติให้ถูกทางเป็นอันได้ทุกคนได้ไปตามลำดับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งใจให้แน่วแน่ตั้งใจปฏิบัติธรรมละชั่วทำดีทำใจให้ใสไปอย่างนี้เรื่อยๆจะถึงธรรมที่วิเศษเอง เข้าใจแล้วทาใจให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางด ว, วงกลางของกลางกายให้ใสสว่างก่อนหยุดพักตั้งจิตอธิษฐานน้อมบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าถึงบุรพ a าาร a r ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อวัดปากน้าหรือหลวงปู่สด ท่านจะคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ปฏิบัติและสั่งสอนวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์คำว่าบูชานั้นเราพึงปฏิบัติบูบชาควบคู่กันไปกับอามิตรบูชาคือบูชาพระรัตนตรัยทั้งธรรมุบำรุงาศาสนบุคคลาศาสนสถานและาศาสนธรรม ด้วยปัจจัยสี่และด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในใจของเราในาธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของเรากิริยาวาจาก็จะเป็นธรรมไปด้วยแล้วตั้งใจแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารไปยังสรรพสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณ ด้วยอธิษฐานจิตว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดทุกท่านตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญของเราที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันถึงณบัดนี้ แกคุณบิดามารดาคุณครูพระอุปชาอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธชนเพื่อนสหอาธรรมิกผู้มีประคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ตลอดทั้งมนุษย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นและอะมนุษย์มีเทพยาดาพรหมอรุภพรมและสัตว์โลกในทุกติภูมิขอคุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นพลวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายให้ปราศจากความทุกขโศกโรคภัยสภพอันตรายและอุปัตวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยชอบ จงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาภละปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสสะปสูเตอัทละธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาเสนอโรคาสุขิตาโหถักษะสัพเพหิยาติภิภาวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสูถีภควันตุเตทุกคนค่อยๆ ค, คลายออกจากสมาธิ แล้วก็ลืมตาขึ้นชา้าที่จบไปนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายโดยเสียงของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคลโลได้ให้คำแนะนำแก่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านสำหรับการฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายนี้สาธุชนสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้ทุกอิเดียบท ยืนเดินนั่งนอนตามคําแนะนำเบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้คาแนะนาไว้นั้นและถ้าสาธุชนท่านใดประสงค์ที่จะศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมตามคําสอนนี้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอาเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ฝึกในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจําปีปีละสองครั้งคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจําทุกปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ประการใดสําหรับวันนี้รายการธรรมสุสันติ ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร